การทำครัวทำอาหารนี่เป็นของหนักไม่น้อยเหมือนกันนะให้ช่วยกันนะช่วยกันทั้งแม่ดำทั้งแม่ขาวเรามาทำบุญนะเราบวชเป็นชีเป็นเขาก็ดีบารมีเรายังไม่แก่เราก็ต้องทำ ความดีหลายอย่างประกอบกันเข้าจะเอาแต่ภาวนายอย่างเดียวไปไม่รอดอถ้อยเข้าใจแม่รับแมนั่นแหละยิ่งว่าในพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราลงมือกระทาไม่ใช่เพียงแต่อ้อนวอนอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาช่วยเหลือให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นนะทรงสอนให้เราลงมือทํา การทํามันก็ต้องทำหลายอย่างไม่ใช่แต่เพียงแค่นั่งภาวนาอย่างเดียวปากท้องมันหิวอ่ะไม่มีอาหารเหล่าเลี้ยงนั่งภาวนาก็ไม่ได้อืมร่างกายอันนี้มันเรื่องอยู่ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นจึงต้อง อาหารมาหล่อเลี้ยงมันมันถึงมีกำลังสามารถนั่งสมาธิภาวนาได้อันนี้มันก็ยังดีนะเรายังมีเงินจ่ายค่าเครื่องครัวต่างๆไห้มาทำ อย่าไสกันแต่บางแห่งไม่มีเงินพออยู่ด้วยกันมากก็ไม่ได้ไม่มีอาหารจะเลี้ยงกันอย่างนี้นะดังนั้นพวกเราที่อยู่ร่วมกันนะเรามีพร้อมแล้วเพียงแต่ช่วยกันทำเท่านั้นแหละ ควรช่วยกันทำช่วยกันคิดคิดให้มันเห็นเหตุเห็นผลโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไมันคงที่แม้แต่ครั้งพุทธเจ้านางพิทูนีเพื่อกเทียบวินทบาท มาเรี้ยงอัตภาพอันนี้ไปแต่ในสมัยปัจจุบันนามสุนีหมดไปแล้ววันนี้มีผู้นุ่งขาวหมขาวโกนผมโกนคิว้วรักษาสินแปดเรียกว่าแม่ชีอันนี้เพื่อนเขาไม่นิยมบิดาบาทคัน เราจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่นิยมเหตุ น, นั้นเราจึงเป็นแม่ชีมาแล้วก็จึงต้องทำหน้าที่เป็นแม่ครัวช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระบ้างเลี้ยงตัวเองบ้างก็เป็นอย่างนั้นนี่ขอให้เข้าใจนะอ่า เรียว่าไม่มีใครที่จะคอยล้างมือเปิบเอาเลยอย่างนี้ไม่มีแม่พระสงฆ์สามเณรก็ต้องบินธบาติตามกิจวัตรเป็นอย่างนั้นเราเป็นแม่ชีก็ทำหน้าที่ของแม่ชี เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยว่าเป็นแม่ครัวต่างฝ่ายต่างก็มีงานทํามารวมกันเข้าก็จึงพอเป็นอยู่ได้นั่นแหละอย่าไปอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องอาหารไม่เป็นเรื่องสําคัญนะจะไม่สําคัญยังไงเล่าสุขภาพร่างกายนี่ เพียงขาดอาหารหรือนะ้ำวันหนึ่งนี่มันก็เปลี่ยนแปลงแล้วรูปร่างกายนี่นะอืแปรผันไปแล้วทุดทรงไปแล้วอย่างนี้ที่เราอยู่ได้มานี่ก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ <c oughs> ที่เราประพฤติคมจรย์ทําความเพียรภาวนาอะไรต่ออะไรได้อยู่นี่ พ่อมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ให้มีกำลังพอเป็นไปได้แม้ท่านผู้ที่ได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษท่านก็มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี่แล้วก็จึงมีกำลังวางชาไปนั่งฟังเทศของพระพุทธเจ้าและพระสงเ์ทั้งหลาย มีกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่ายง่ายหมู่นี้น่มันล้วนแต่อาสายอาหารทั้งนั้นเลยฮะเป็นเครื่องเป็นเครื่องบำรุงกำลังกายให้ทำกิจวัตรต่างๆได้ ดังนั้นเนี่ยขอให้พากันเข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนเราขอให้เข้าใจเราอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นกำลังเพื่อได้ประกอบความเพียรภายในใจิตใจให้คิดดูพระพุทธเจ้าเนะ พระองค์อดนอนพ่อนอาหารไม่มีอาหารโลเลียงร่างกายก็ไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ฮนะต่อเมื่อพระองค์บิณฑบาตมาฉันบำรุงร่างกายให้เป็นปกติแล้วนี่แหละทำความเพียรลงไปจึงสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณได้นี่นะ นันคิดดูให้มันเห็นแต่นั้นเรื่องอาหารนี้จึงว่าเป็นสิ่งสำคัญในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าสเปสตาอาหารฤีติกาจัตตาโรมหาภูตาแต่ทั้งหลายเนื่องอยู่้วยอาหารอย่างเดียวหรือเรียกว่าอาหารสีก็ได้กบาลิงกวาลาอาหารอาหารคือคำข้าว พัฒนาาหารอาหารคือความสมัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งสันเจตนาอาหารอาหารคือความคิดความอ่านต่างๆวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ คนเราจะอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารทั้งสี่ประการนี้ต้องคิดดูอ่ ะ, อะถ้าหากว่าไม่มีอาหารคือข้าวและน้ําแล้วอาหารสามอย่างนั้นก็มีไม่ได้เลยอมีอาหารคือข้าวและน้ําหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ธาทั้งสี่พองรองสามัคคีกันไม่วิบัติพันแปรเช่นนี้ พัฒนาอาหารอาหารคือความสัมผัสเช่นหายใจเข้าหายใจออกมันก็คล่องแคล่วดีถ้าหากว่าร่างกายนวิบัติแล้วหายใจก็ฝืดหายใจไม่สะดวกเลยนี่ล่ะเรียกว่าความสัมผัสมันมันวิบัติแปรปวนเมื่อความสัมผัสมันแปรปวนอย่างนี้แล้ว ความคิดความอ่านมันก็ไม่คงที่อยู่ได้เลยบบนี้มันก็คิดไปในในทางเป็นทุกข์เดือดร้อนวุดวายต่างๆนานาไปวิญญาณอาหารอาหารคือความรู้ก็บกพร่องไปมดเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติพันแปรไปแล้ว อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นปกติอยู่ได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารข้าวและน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ให้ทานข้าวให้ทานน้ำชื่อว่าให้ทานกำลังเกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงอันผู้เป็นแม่ครัว ถึงไม่ได้ทำนาทำสวนก็จริงแต่ว่าได้ทำครัวทำอาหารให้ทานแก่ผู้คนให้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าให้เข้าให้น้ำเป็นทานนั่นแหละถ้าหากว่าชาวบ้านให้เครื่องครัวมาแล้วแต่ไม่มีผู้ทำ มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ไเลอรับทานก็ไม่ได้ดัะนั้นเมื่อมีผู้ทําผู้ปรุงให้สุขให้มีรสกลมกล่อมแล้วนั่นแหละอาหารนั้นจึงสําเร็จประโยชน์แก่ผู้รับประทานได้ดังนั้นผู้ที่ทําอาหารให้เป็นทานนี้จึงชื่อว่า ได้ให้ชีวิตเป็นทานคาณาสงฆ์มันก็ต้องมากอยู่ดีแหละพอได้ให้ชีวิตเป็นทานแต่อย่างนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นเหตุผลของการกระทำอย่าไปถือว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาสมาธิไม่ควรจะไปถืออย่างนั้น ถ้าบคคลวู้ระมาผู้ขาดสติสมบัติเช่นยาสำมรวมจิตใจของทนแล้วแม้แต่นั่งอยู่เฉยในจิตมันก็ไม่สงบมันก็คิดไปทั่วพีพกเลยอย่าว่าแต่ทำการทำงานเลยนั่งเฉยเฉยในยิ่งคิดไหลเป็นยังพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคการงานต่างๆที่ เป็นการงานเกี่ยวกับวัดกับวาศาสนานี่นะนางปฏิปูชิกาแต่ข้างพระเจ้านั่นนะเขาเป็นเทวดาทีแรกไปเที่ยวสวนอุทยานด้วยกันกับหมู่กับสามีนางเทพธิดาขึ้นต้นดอกไม้ เก็บดอกไม้แล้วโยนออกมาให้เทพผูบุตรผู้เป็นสามีเอาไปเอามาแล้หมดอายุลงจุติจากต้นดอกไม้แล้วก็มาเกิดในเมืองสวัสีเมื่อเกิดมาแล้วเขาระลึกชาติทีนหลังได้เพราะว่าเขามาเกิดในชาตินี้เขามาจากต้นดอกไม้ในเมืองสวรรค์ชันดาวบดี แล้วเขาก็นึกถึงหมู่ถึงคณะนึกถึงสามีทำอย่างไรเนาะเราจึงจะได้ไปอยู่กับสามีกับหมู่กับเพื่อนในสวรรค์กระจึงมารับอาสาเป็นแม่ครัวทําอาหารเลี้ยงพระแต่ไม่ได้ทําอาหารเลี้ยงพระทั้งวัดเลยเพราะว่าวัดเทวา น, นั้นมีพระเป็นหลายพันอาศัยอยู่ แต่ทำอาหารไว้โรงครัวนั่นเน่ะเมื่อพระองค์ใดหรือพระหมู่ใดไปบินถบาทแล้วไม่ได้อาหารพอฉันก็พากันมาเวที่โรงครัวนั้นนางปฏิกูจิกานันกจัดอาหารใส่บาทให้พระพระกอฉันฉันแล้วก็กลับไปที่พักของตัว ถ้าพระองค์ได้เพื่อนบินาบาทพอฉันและเพื่อนขอไม่มารบคุณโรงครัวนี่เพราะพระมันมีมากสมัยนั้นน่ะเป็นอย่างงี้แหละนางปฏิภูชิการนั้นอยู่มาอยู่มาก็เจ็บหนักลงเลยไม่ทราบเป็นโรคอะไรก็เลยถึงแก่กรรมพอถึงแก่กรรมเขาก็ไป เกิดที่ต้นดอกไม้เท่า น, นั้นแหละพัพวกเห็นเข้ากันเอ๊ะเมื่อกี้นี่เธอไปไหนตัวอา้าวฉันจุตินะไปเกิดเมืองมนุษย์โน้นหัวกันไปยังไงแล้วอันไปเกิดเป็นเมืองมนุษย์อ่ะโอ้ยมนุษย์นี่ชอบเบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะงั้นไม่เหมือนสวรรค์แล้ว ก่อแต่ทุกข์ให้ซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นดังนั้นข้าพเจ้าจึงสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญนั้นจึงส่งให้มาเกิดในที่นี้อีกมาเกิดในเมืองมนุษย์นี่ก็จะประมาณสักสี่สิบปีแล้วมะเห็นจะได้แล้วตายไป ไปเกิดที่ต้นดอกไม้ต้นนั้นพักพวกยังเห็นก็นแล้วกันยังถา ม, มาอ่ะเอเมอ่อสกี้นี่เธอไปไหนอยูเนี่ยลองคิดดูทีไอเวลาของเมืองสวรรค์กับเวลาเมืองมนุษย์ต่างกันเหลือเกินนะในความรู้สึกของเพื่อนเทพดาด้วยกันนั้นว่าไอนางคนนี้หายไปประเดียวๆหนึ่งนะอันเนี้ยเด็บ กลับขึ้นไปเกิดอีกก็ถามเขาบอเมื่อตะขี้นี่เธอไปไหนนะอย่างนี้แหละเหตุดังนั้นน่ะในความเป็นอยู่ของมนุษย์นี่นะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆแต่เหมาะสมกับบุคคลผู้สร้างบารมีผู้เห็นภยัยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารก็จึงรีบเร่ง สร้างบุญสร้างกุศลเท่าที่มองเห็นช่องใดจะเกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็ทำเอาในเวลามีกำลังร่างกายเลี้ยวแรงดีไม่ควรจะถือเอาความพอใจและไม่พอใจนั้นเป็นเหตุถ้าไปถือเอาอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรม ก็เป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับอยู่ในบ้านในช่องอผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นชีเป็นข้าวก็ดีเป็นชีพรามณ์ก็ดีเหล่านี้ต้องมาฝึกจิตใจให้มันถือทำเป็นใหญ่อย่าไปถือบุคคลอะไรต่ออะไรเป็นใหญ่อื ไปถือบุคคลเป็นใหญ่ยงนะั้นถ้าบุคคลทําอะไรให้ไม่เป็นที่ชอบใจก็เกลียดชังยกโทษติเตียนเขาถ้าใครทําอะไรเป็นที่พออกกอใจก็ะชัระเสริญเยินยอเขาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมแบบนี้นะจิตใจแบบนี้ไม่เป็นธรรมให้เข้าใจ ที่เป็นธรรมนั่นคือว่าเรามาดูตั้งตัวเองทำความดีไปใครจะสนับสนุนนินทาอย่างไรเราไม่ใส่ใจว่าแต่เรามีคุณความดีอยู่ในตนเราทำความดีเต็มความสามารถของตนแล้วใครไม่เห็นด้วยจะนินทาก็แล้วแต่ใครเห็นด้วยจะสนับสนุนเนยือนยอก็อแล้ว ก็อนโมทนาสาธุผู้ที่เขาสรรเสริญเยนยอผู้ที่ชินลินทานะไปอย่างนี้เราก็วางเวขาลงไม่วันไหวเพราะนินทากาเลเหมือนเทน้ำท่านเก่าไ้ไม่ชอบช้าเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคิน ขณะนนมนุษย์เตินดินจะสิ้นคนนินทานักปาราชญ์โบราณท่านกล่าวเป็นคำโครงไว้อย่างนี้แล้วมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลใดไปหวั่นไหวกับคำสนทเสรนินทาของผู้อื่นอยู่เนี่ยจิตใจย่อมไม่เป็นสมาธิได้เลย จิตใจย่อมวอกแวกย่อมฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ผลอะไรมเมาแต่ไปเพ่งเองออกไปแต่ภายนอกเพ่งไปว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นนินทาเร า, เาคนนั้นทำไม่ดีต่อเราเบียดเบียนเรา ถ้าหากว่าไปเพ่งเล็งไปอยู่นั้นนะจิตไม่เป็นสมาธิเลยขอให้เข้าใจฉะนั้นทุกคนต้องโน้มสติสมัสูร ญ, ญ์ยาเข้ามาควบคุมจิตใจตัวเองนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ใครจะดีจะชัว่วไงก็แล้วแต่เรื่องของใครเรารักษาความดีของเราไว้ได้เราเป็นดีทั้งนั้นแหละหวังกัน ให้เตือนตนอย่างนี้นั่นจึงถูกต้องกับพระธรรมคุณบทว่าโอปานายโกให้น้มเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในจิตใจให้มาเห็นแจ้งอยู่ในจิตใจของตนอย่างนั้นเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกกลับไปไม่คงที่ ดีก็เหมือนกันชั่วก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่คงที่ทั้งนั้นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่จิตใจวันไหวต่อคําสนัเสริญนินทาอยู่นั้นแสดงว่ามองเห็นสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่ เมื่อมันมองเห็นอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนแหละก็สำคัญว่าเขาเบียดเบียนเราเขายกยอเราอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะนี่สำคัญมากนะพักันใส่ใจให้ดีอันที่มันวุ่นวายอยู่นี่มันกับข้อเรื่องนี้แหล ะ, ะถ้าผู้ใดมาควบคุมจิตตัวเองได้ไม่ให้เพ่งเลียงไปภายนอก หมายความว่าเพ่งเลงไปในเรื่องไม่ดีถ้าเราเพ่งไปในเรื่องดีเรื่องเป็นประโยชน์มันก็ไม่มีโทษอะไรดังนั้นถ้าหิบมันอยากชอบจะเพ่งเลงไปในเรื่องไม่ดีอย่างที่ว่านั้นต้องห้ามอมต้องอย่าให้มันเพ่งเลงไปควบคุมไว้แล้วก็ตั้งหน้าทําความดีทําการทํางาน อันเป็นหน้าที่ของตนไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพระเดนขับบินธบาตตามปกติแม่ทีแม่ดำก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวช่วยกันจัดช่วยกันทำคนละอันพันระน้อยเข้าไปเช่นนี้มันก็ไม่เป็นภาระหนักของใครคนใดคนหนึ่งอ่ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นภาระหนักมากทีเดียวผู้ที่รับภาระทำอยู่ก็หนักมากมันไม่เป็นธรรมเลยคิดดูให้เห็นคิดดูให้มันรู้หเห็นด้วยตนเองจะเป็นธรรมยังไงเล่าไม่เป็นธรรมเลยคิดดูทุกคนต้องรู้ได้เลยที่ว่าไม่เป็นธรรมนี่นะ ไม่จะเป็นต้องพูดให้เปิดเผยอะไรมากมายพูดเท่านี้แล้วก็คนจะคิดได้กันนะคนคิดกันให้มันเห็นกำลังวางชายังมีอยู่เช่นนี้นะไม่ใช่ว่าล้มม้อนนอนเสือ่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นกำลังวางชายังมีอยู่งี่แล้วมันต้องทำงาน ไม่เช่นนั้นเราก็อยู่รวมกันหมู่มากไม่ได้เลยอคอให้เข้าใจเพราคนหมู่มากนั้นมีภาระอันหนักอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอืมคนหมู่มากนี่ทําอาหารการกินอะไรก็ต้องทําหลายทําน้อยไม่พอกันกินอ น, นี่นะทําอะไรต่อมอก็มีแต่หลายทั้งนั้นคนหมู่มากอยู่ด้วยกัน เมื่อมันทำหลา ย, นยคนไม่กี่คนทำเนี่มันจะไหวเือคิดดูให้ดีมันเป็นอย่างงั้นแหะฉะนั้นเราอย่าไปมีอคติอยู่ในใจอคตินี่พระพุทธเจ้าสอนในละเว้นอคติสี่นี่นะฉันทาคติ มีความรักใค่พอใจคนใดก็ช่วยเหลือคนนั้นสั้นเถิดเยืนยอคนนั้นแม่คนนั้นจะทำไม่ดีก็ว่าเขาทำดีอัน้เรียกว่าจิตใจเอียงไปทางแห่งความโกรธความไม่พอใจอันนี้ทุกคนต้องดูจิตใจตัวเอง อย่าให้มันเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการปฏิบัติธรรมไม่มีผลไม่มีผลอะไรออ่ะืทั้งพระทั้งโยมเนี่ยโกนผมมาเจ็บศีรษะเปล่าๆเลยเดีย๋ยงั้นดังนั้นต้องดัดจิตใจตัวเองให้ได้อย่าให้มันเป็นไปตามอาการเอานั้นอืม ต้องเจริญเมตตากรุณาให้มากมากอย่างนี้แหละต้องเจริญเมตตากรุณาให้สูงขึ้นไปเมื่อบุคคลมีเมตตาพ่วงขวางแล้วมันก็ใจใหญ่ใครจะนินทาว่าอะไรมานะมันก็ไม่ค่อยวันไว้ก็ะจะมองเห็นผู้นินทาแน่นอนโอ้เขาก็ยังไม่รู้นาะ เขาก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสถ้าเขารู้แล้ ว, วลอย่างนี้เขาจะไม่พูดอย่างนั้นไม่แสดงอาการอย่างนั้นเลยพี่นาเห็นอย่างนี้ก็ให้อภัยเขาไปไม่ถือสาหาความหน้าเสียงเรามีอย่างไรก็ทำไปใครจะสนับสนุนก็สนับสนุนไปใครจะนินทาก็นินทาไปคนผู้นินทาเพื่อนนั้น ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปนินทาเพื่อนแต่บุญก็ทําอยู่อย่างนี้เวลาจิตใจมีอคติที่ทิ้ง น, นินทาผู้อื่นเวลานั้นเกิดบาปบาปขึ้นในใจผู้นั้นคือว่าสร้างทั้งบุญสร้างทั้งบาปขึ้นในใจ ไอ้อย่างนี้ชอบเหลือคิดดูให้ดีเพราะว่าบาปนั้นมันย่อมอำนวยควให้เป็นทุกข์ถ้าเกิดไปชาติใดพบใดก็มีคนติสีสินอินทาเขาอีกแล้วแม้เราจะทำดีไปเลเขาก็ว่าเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมๆเวรเว น, นี่ให้พากันกลัว กรรมชั่วทั้งหลายเวลามันให้ผลแล้วมันเป็นทุกข์หรือนอนนั้นอย่าไปปาถนา้เลยให้ตรงการแต่กรรมดีกายกรรมการทำอะไรด้วยลายก็ต้องให้ละมุนละม่อมอย่าแขงกระด่างกระเดืองต่อกันและกัน วจีกรรมการพูดการจาอะไรก็ต้องพูดดีมีเหตุมีผลพูดอ่อนโยนอย่างนั้นให้เป็นที่พออกพอใจของผู้อื่นอย่าไปพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจวจีกรรมคำพูดเนะี่ยอย่าว่ามันไม่เป็นกรรมเป็นเวร น, นะ เป็นเลยออนั่นแหละคนบางคนนะ่ะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจมีแต่คนตำหนิตีเตียนทำดีอย่างไรเขาก็ว่าไม่ดีไอ้ผู้นั้นไม่รู้เท่าไม่รู้จักเกรนของตัวเองเลยไปโกรธเพื่อนอะไรนะหาว่าเพื่อนขมเมีงเงินนเบียดเบียนตนอะไรตอไ่ออะไรเอาสร้างเวียขึ้นมาอีก ต่อไปชาติหน้าก็ไปถูกเขานินทาว่าร้ายอีกก็ได้รับทุกทนทรมานไปยอยู่งั้นจนกว่าผู้ใดคุณ น, นั้นรู้ตัวว่าอ๋อมันเป็นกรรมเวรเราที่เราพูดไม่ดีต่อคนอื่นมาจะก้อนนี่นะาชาตินี้เรารู้ตัวแล้วเราจะงดเว้นเราจะไม่นินทาว่าร้ายไม่ด่าไม่แ่งใคร จะไม่พูดคำหยาบโลนต่อใครและใครเลยอธิษฐานใจละเว้นอย่างนี้แล้วก็สำรวมวาจาขอชนให้ดีให้ปกติทีเสมอไปออกรรมเวรนมันกระหมดไปแล้วในชาตินี้ไม่ตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปอ น, นิสงส์ที่พูดวาจาอ่อนว่านอ่อนโยนต่างๆนะเนี่ย เกิดไปชาติใดก็มีแต่คนเคารพนับถือบูชามีคนรักใครเอ็นดูพูดจาภาษายกับคนใครก็มักจะมีความเชื่อคนผู้ได้ยินได้ฟังแล้วมักจะเชื่อมักจะทำตามอา น, นิสงส์ที่พูดคำจริงไม่พูดเท็จพูดคำปณีปณ น, นอมรู้จัก เอกสาร ส, สมานมิตรต่อกันและกัน พ, พูดคำอ่อนโยนอ่อนหวานต่อกันและกันเนี่ยอา น, นิสงส์มันก็ส่งให้มีคนรักเคารพนับถือบูชาพูดจาอะไรไปก็มีคนเชื่อถือทำตามอ่าได้ยางไนะอันอานิสงส์ที่พูดดีจาดีแล้ว ในปากก็มีลิ้นไก่สมบูรณ์บริบูรณ์ท่านกล่าวก็ผูใ้ใดพูดไม่ดีพูดเท็จพูดคำหยาบโทนต่างๆนานานี่เกิดไปชาติหน้าต่อไปนะลิ้นไก่สั้นพูดรู้ๆว่าไม่ได้สับได้แสงเขาเรียกว่าคนปากกึกนั่นแหละโทษทีมพูดจะไม่ไพเราะไม่ดีต่อผู้อื่นอ ต่าแข่งอะไรต่ออะไรไปหมดนี่นะดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมในวัดวาัาสนาแล้วเช่นนี้มันต้องล้ ม, มัดระวังเรื่องการทำคำที่พูดให้มากทีเดียววนะการที่บุคํำพูดนี่นะมันก็เกิดมาจากจิตเมื่อจิตชาราสมันก็พูดให้ผู้อื่นนับถือได้ พูดให้ผู้อุ่นเชื่อถ้อยฟังคำได้ถ้าจิตไม่ฉลาดฉเฉลียวแล้วจิตไม่ดีแล้วพูดอะไรออกไปมันก็มีแต่เรื่องไม่ดีเพราะจิตไม่ดีจิตมันขุนมัวอยู่ด้วยความโกรธความไม่พอใ อ, อใจต่างๆอย่างนี้น ะ, ะนั่นแหละเมื่อมันจิตมันขุนมัวอยู่นั่นพูดอะไรออกมา มันก็เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังเลยคนอื่นได้ฟังเขาก็แสลงหูแสลงใจของคุณคนผู้ฟังอันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทศภาการพิจารณาให้ดีอย่าไปลืมตัวไอ้เรื่องกา ย, ยกรรมวีกรรมเหล่านี้นะต้องมันเซ็กดูเสมอเสมอมีสติสมบัติเชญนะคอยระมัดระวัง ทั้งกลังวันกลางคืนเสมอไปทีเดียวอ่ะแล้วก็เซ็กเข้ามาดูดวงจิตตรงใจของตัวเองนี่เวลานี้ใจเป็นอยู่อย่างไรอย่างนี้นะมาเพ่งดูเมื่อผูใ้ใดมันมาเพ่งดูจิตนี่แลก็ย่อมรู้ได้ว่าจิตนี่มันลำเอียงไปอย่างโน้อนอย่างนี้ก็รู้ถ้าว่าจิตนี้ไม่มีลำเอียงนะ อยู่เป็นกลางๆอย่างนี้นะต่ออารมณ์ที่น่ายินดีน่ายินร้ายต่างๆก็ไม่วันไว้ไปตามนึ่งก็รู้เนี่ยถ้าผู้ที่มาเพ่งดูจิตใจตรงนี้อยู่เสมอไปแล้วมันก็รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจนี่ได้เมื่อรู้ว่าจิตใจนี่มันยังมีลำเอียงอยู่มันยังวกแวกเอาก็พยายามให้ให้มัน ตั้งมั่นลงด้วยดีสินนให้มันตั้งเป็นปกติอยู่ด้วยดีให้ได้พยายามแหละเรื่องนี้ถ้าบุคคลไม่พยายามแล้วไม่ได้เพราะเห็นว่าจริตนิสัยของตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยปละละเลย ให้เป็นไปอย่างนั้นเนมันก็ละไม่ได้สักทีนะอืเกิดไปชาติใดพบใดก็ไม่มีการเปลี่ยนจากจิตอันชั่วร้ายให้ให้กลายเป็นจิตอันดีเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยอืมถ้าบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงตนเสียจะบัดนี้ไป กรร ม, มกิเลสเหล่านี้มันก็ติดสอยห้อยตามไปมันเป็นอย่างนั้นหนๆนเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไวด้ดีดีแสนดีแล้วเราจะปฏิบัติตามไม่ได้หรือเรามีศรัทธาเลื่อมใสแรง้าด ถึงนำตัวเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามสละการงานต่างๆสละบ้านเรือนอลูกผัวพี่น้องวงศาคณาญาติต่างๆอะไรมาแล้วนี่นี่เราก็มุ่งหวังว่าจะมาปฏิบัติทำเพื่อเอาชนะกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจนี่ ถ้าหากว่าผู้ใดมาบวชเพียงจะว่าเห็นเพื่อนมาบวชแลว้วก็นึกว่าจะมีความสุขสบายแล้วก็เข้ามาบวชกับเพื่อนเท่านี้แล้วไม่ไม่ดีแน่ถ้าคิดอย่างนั้นนะคิดแค่นั้นนะพอว่าเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้เมื่อมา มาเห็นข้อวัตฏิบัติแล้วเห็นระเบียบที่ท่านวางไว้ได้อย่างนี้แล้วโทษใจให้สามารถจะทำได้นี่ให้ความเป็นผู้ที่เห็นเพื่อนบวชแล้วกระบวบดตามเพื่อนโดยโดยที่ตนได้ไ ม, ไม่ไม่คิดเห็นไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหามาแต่ก่อนแล้วไม่เชื่อว่า พ่อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จะเป็นทางพ้นทุกข์ได้คิดไม่เห็นบางคนก็จะว่าคิดเห็นจะมานั่งภาวนาลูกเดียวอันอื่นจะไม่ทําอยากจะพ้นทุกข์ขอนั่งภาวนาลูกเดียวเดีย๋ยวนี้ก็มีนะบางคนนะนั่นเอง มันไม่ถูกไปคิดอย่างนั้นถ้าเรามานั่งภาวนาเราไม่กินอะไรหรือนี่เราต้องคิดดูไม่กินอะไรไม่อยู่ที่ไหนหรือจะนั่งอยู่กลางแจ้งนอนกลางแจ้งหรือหมนี่คิดดูที่ไม่อาบน้ำหรือโถรลายางชีวิตนี่นะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นอะไป เนื่องอยู่โดยปจัจจัยสี่แม้ว่าเป็นรังปัวใด้ก็ต้องไม่พ้นจากการงานแต่ว่าเป็นการงานที่เบากว่าผู้ครองเรือนจำเป็นงนั้นเช่นเครื่องครัวอย่างนี้นะเอาคนอื่นเขาหามาแล้วก็วไปซือเอามาแล้วก็มานั่งทำอยู่กับพี่เท่านั้นเองะ ไม่ได้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรเลยอย่างนี้กระนับฟ้าการงานนมันเบากว่าครองเรือนให้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันมันก็เบาไปแหละแต่ที่นี่เมื่อเราได้อาศัยประเจตินี้แล้วมีกำลังดีแล้วก็สั้งใจประกอบความเพียเเรเวลาประกอบความเพียรมันก็มีทั้งใจประกอบความเพียรเข้าไปไม่ท้อไม่ถอย เช่นนี้่เมื่อหากว่าประกอบความเวียนถูกทางกิเลสมันก็เบาบางไปมันเป็นงานเลื่อมนมะ่ะกิเลสมันก็เบาบางไปทีละน้อยละน้อยไปก็เอาเราไม่สามารถจะละกิเลสให้มันขาดไปทีเดียวให้ได้อย่างนี้ก็พยายามละไปทีละน้อยละน้อยเอา นี่แหละเมื่อเมื่อเพียรไม่ยามละไม่ท้อไม่ถอยมันก็เบาบางไปเองมันฮะมันเป็นยงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายมันมีกําลังพอที่จะทําคุณงามความดีได้อย่าพากันประมาทให้กระทําความเพียนเข้าไปอย่างเช่นเรามารวมกันในศาลาการเปรียนอย่างนี้นะ ต่นนั้นมาเป็นโอกาสอันดีแล้วเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับภายนอกเลยวางไปหมดแล้วการงานต่างๆเช่นนี้มันนั่งภาวนากดสํารวมจิตใจให้แน่วแน่จริงๆอดทนอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่างๆไปไม่เท่นนั้นจิตใจก็สงบลงไม่ได้ดังนั้นแหละ อ้การละทีเด็ดไม่มีใครจะไปละอายใครได้ทุกคนต้องทำความเพียเรเอาเองต้องทำใจสงบก่อนอื่ น, <Hey. S 1> น, นเมื่อใจสงบแล้วใจมันมีกำลังเข้มแข็งแบบนี้ก็ถึงเจริญปัญญาต่อไป hmm. ปัญญานั้นเกิดขึ้นแล้วก็มาสอนจิตอบรมจิตอีกทีหนึ่ง ถอนจิตให้ละสิ่งที่ควรละให้ปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อยวางเมื่อละเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งถ้าเมื่อกิเลสอันใดมีอยู่ในใจอเมื่อเราละมันลงไปแล้วมันระ ง, งับไปจิตมันก็รวมลงได้อย่างนี้นะเมื่อจิตมันรวมลงแล้วก็มีสติรักษาจิตที่มันรวมลงได้นั้น ไว้ให้มันนานเท่าที่จะนานได้ออย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีกําลังดีก็อภิจารณาใหม่พิจารณาสิ่งที่จิตใจยังไม่รู้แจ้งจิตใจยังยึดถืออยู่อันใดก็พิจารณาอั น, นั้นเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตก็รวมเป็นหนึ่งอยู่ อย่างนี้แหละการบําเพ็ญทางจิตใจนะขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าคิดอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอย่างนั้นไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นนั่งสงบจิตซื้อซื้ออยู่นั่นตลอดเวลาไปไม่คิดไม่รู้ไม่เห็นอะไรตามเป็นจริงอย่างนี้นั่นมันก็ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางจากจิตใจได้ เพียงแค่ขมกิเลสให้สงบตัวอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วกิเลสมันก็ตามหลังมาอ่า น, นปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้นะขอให้พากันทำความเพียรต่อไปบัดนี้ก็จะขอจบลงไวเพียงเท่านี้